49ภาษาไทยคำว่าฉลาดมาจากคำว่าฉลายตนะคนผู้จะมีพลังงานจิตชื่อว่าฉลาดนั้นต้องมีปัญญาที่เกิดจากอายตนะหกอันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจสังขารการก่อเชื้อปัญญาขึ้นได้ ซึ่งเป็นความฉลาดที่ประกอบกันขึ้นจากอายตนะภายนอกและภายในครบความเป็นกายเสมอเพราะเกิดจากวิญญาณหที่มีใจกับภายนอกซึ่งอาจจะเกิดจากทวารใดทวารหนึ่งก็ตามหรือหลายทวารก็ตามเป็นเหตุปัจจัยทำงานสัมผัสกันแล้วเกิดวิญญาณ สัมผัสสามปรุงแต่งกันขึ้นมาเป็นสภาวะกิ่งครบองค์จึงจะถือว่าเป็นพลังงานของวิญญาณบริบูรณ์ชื่อว่าวิญญาณตามพระอนุสาสนีของพระพุทธเจ้าอย่างสัมมาทิฏฐินั่นคือวิญญาณ น, นั้นต้องมีการสัมผัสวิโมก8ด้วยกาย กายคือมีองค์ประกอบของรูปกับนามเสมอไม่ขาดสิ่งใดและที่สำคัญคือต้องมีการสัมผัสอยู่พร้อมทั้งภายนอกและภายในส่วนวิโมก8นั้นคือ 1. ต้องมีรูปรูปีและต้องเห็นรูปเป็นสิ่งอันบุคคลพึงได้รูปานิปัสติ หรือรูปเป็นผลรูปานิปสติ 2. ต้องพร้อมด้วยการเห็นปัสติที่ผู้ปฏิบัติเห็นได้ด้วยยานทัศนาของตนคือเห็นทั้งภาวะภายนอกพระหิทธาและภาวะภายในอัจฉัิ ต, ตาและสามารถกำหนดหมายรู้สัญญาเข้าไปรู้แจ้งได้หมด จากตั้งแต่ขั้นกามแล้วจึงลึกเข้าไปขั้นรูปแล้วลึกถึงขั้นอรูปทีเดียวโดยตนเองของตนเองอัจฉัดจังอรูปะสันยีเอกูสามภาวะของจิตมีความโน้มน้อมไปสู่สิ่งที่น่าพึงใจสุภะ เป็นความเจริญก้าวหน้าจนถึงที่สุดนั้นแหลสุพันเตวะอาธิมุตโตโหติสำหรับวิโมกข้อที่4ไปถึงข้อ8นั้นก็เป็นรายละเอียดสู่สภาวะขั้นอรูปและถึงที่สุดสัญญาเวทยิ ต, ตะนิโรธขอไม่อธิบายต่อ ทั้งสามข้อนี้แหละที่ระบุชัดแล้วว่าการปฏิบัติจะต้องมีองค์ประชุมของรูปและนามวงเล็บกายและต้องมีทั้งภายนอกและภายในทำงานร่วมกันเสมอขาดไม่ได้นั่นคือต้องลืมตาปฏิบัติขืนหลับตาปิดหูและอื่นๆเป็นต้น ไปหลงยึดการปฏิบัติด้วยวิธีปิดทพานภายนอกนั้นไม่ใช่ของพุทธความรู้ที่เรียกว่าปัญญาต้องมีชลายตนาหกจึงจะชื่อว่าความฉลาดขั้นปัญญาความรู้ที่ไม่มีกายไม่เรียกว่าปัญญาเพราะความรู้ที่ฉลาดหากไม่ได้เกิดจากการพัฒนาพลังงานจิต ที่อาพิสังขารจากอายตนะหกความรู้อย่างนั้นแม้จะเรียกว่าฉลาดและฉลาดปานใดาปานใดก็ตามก็แค่ฉลาดที่ต้องเรียกว่าเฉกะหรือเฉโกผู้ไม่มีชล า, ายตนะอายตนะหกทางานสังขารการเกิดก็เกิดแค่ความฉลาดที่มีกิเลสหรืออวิชชาเป็นตัวบงการให้ฉลาด